ตอนที่หนึ่งจากกระพระวัวรรคตปีหยงชางที่หนึ่งวันที่เก้าเดือนอ้ายฮีมาโปรยปลายลงมาอย่างเงียบเชียบตลอดทั้งคืนจวบจนใกล้รุ่งสางความมืดมิดที่ปกคลุมทั้งภายในและภายนอกเมืองอวิตูจึงถูกขับไล่ด้วยแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาจากทิศตะวันออกขอฟ้าเริ่มปรากฏแสงสีขาวนวลราวท้องปลา ลมหนาวที่พัดโหมขึ้นเมยียงกะทันหันหอบเอาเกล็ดหิมะปลิวว่อนความหนาวเหน็บเสศษแทงกระดูกนั้นชวนให้รู้สึกขนหัวลุกเพว่าสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือเมืองใหญ่ที่มีประชากรกว่าล้านคนแห่งนี้กับเงียบสงัดราวกับเมืองร้างตึงเสียงระฆังดังก้องกังวานไปทั่วฟ้าดินคุกเข่า เสียงระฆังากยาวตามมาด้วยเสียงตะโกนต่ำทึมที่ดังขึ้นนลานกว้างทิศตะวันออกของพระราชวังฝูงชนมหาศาลที่แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีขาวต่างมีสีหน้าอีกโรยเมื่อเสียงขาน ร, รับดังต่อกันไปเป็นทอดๆอดคลื่นมนุษย์ก็เริ่มเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดราชวงศ์ไหนขึ้นชื่อว่าราชนิกลแล้วล้วนหามีความผูกพันฉันที่น้องไม่ ท่ามกลางฝูงชนเด็กชายในชุดไว้ทุกรูปร่างของบางคนหนึ่งเลิกชายกระปรงขึ้นแล้วคุกเข่าลงบนเบาะรองนั่งทันทีที่มือทั้งสองข้างซึ่งแดงกำ่ำเพราะความเย็นจัดสัมผัสล ง, ลงบนพื้นหิมะอันเย็นเยีบความหนาวเหน็บที่บาดลึกถึงกระดูกก็ทำให้เขาสติแจ่มชัดขึ้นมาทันทีมิรู้ว่ายามนี้พายในวังเป็นเช่นไรบ้างใครจะไปรู้เล่าเรื่องนี้มิใช่สิ่งที่พวกเราจะเข้าไปก้าวไก่ได้ยังต้องรออีกนานเพียงใดกันนั่นสิฮองเตผู้ลงรับประทับในพระโกสมาครบเจ็วันแล้วส่วนเรื่องบาลังนั้น เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่ฝูงชนเบาบางยิ่งนักดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับและการว่างเว้นของตำแหน่งจักรพรรดิเด็กชายที่ได้ยินเสียงกระซิบเหล่านั้นมีความรู้สึกที่ซับซ้อนยิ่งคำนวณดูแล้วค่าค่ามิติมาที่นี่ได้เจ็วันพอดีทุกอย่างยั่งกับความฝันไม่มีผิดชูหลิงไม่เคยคาดคิดว่าเรื่องการค่ามิติจะเกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกโชคดีคือชื่อของเขายังคงเดิมและนั่นก็เป็นสิ่งเดียวที่เขาพอจะยอมรับได้ ฐานะของเจ้าของร่างเดิมนับว่าสูงส่งไม่น้อยเขาเป็นเชื้อพระวงคนหนึ่งทว่าอายุยังเยาว์นักเพียงแปดขวบเท่านั้นที่สำคัญคือราชวงศ์อวีคือราชวงศ์อะไรกันสเสด็จพี่ข้าเพลียเหลือเกินข้างกายของชูหลิงมีเด็กชายอีกคนหนึ่งที่อายุเล่กเล็กกันคุกเข่าอยู่หางตาของเขามีคราบน้ำตาการเฝ้าศพไว้ทุกติดต่อกันเจ็วันทาให้เขาแทบจะพังทลายลงแล้ว ชูหลิงเหลือบมองเด็กชายคนนั้นพลางนึกถึงขนมเปี้ยที่เด็กคนนี้แอบยัดใส่มือเขาเมื่อหลายวันก่อนชูหลิงไม่ได้พูดอะไรเขาเอื้อมมือที่แดงกำ่ำเพราะความหนาวไปดึงเบาะรองนั่งใต้เข่าของเด็กชายคนนั้นเข้ามากใกล้ๆส่งสัญญาณให้เขาพิงกายลงบนตัวตนเองเด็กชายผู้นั้นแสดงสีหน้าดีใจออกมาทันทีเขาเพลียเกินไปแล้วและเหนื่อยล้าเหลือเกินองชายเจ็ด ทว่าในขณะที่เด็กชายกําลังจะเองกายพิงเสียงแหลมเล็กที่ระคายหูก็ดังขึ้นพร้อมกับสายตาจํานวนนับไม่ถ้วนที่จับจ้องมาชูหลิงขมวดคิ้วมุ่นเขารู้ดีว่าตนเองถูกจับตามองเข้าให้แล้วจริงๆคันทีหน้าขาวไร้หนวดคราวคนหนึ่งสาวเท้าเดินตรงมาหาชูหลิงอย่างรวดเร็วด้านหลังยังมีคนติดตามมาอีกหลายคนแต่ละคนล้วนมีสีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันไปจวนสิบ อ, องกำลังเฝ้าศพไวทุกข์ให้ฮ่องเต้ผู้ล่วงลับเหตุใดพระองค์ถึงกล้าละเมิดกฎมนเทียนบานและจะรีบประเพณีเช่นนี้ คันทีที่มาถึงจ้องหน้าชูหลิงพางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรฐานะของคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาพวกเขาถูกส่งมาจากฝ่ายในและราชสำนักภายนอกเพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องการไว้ทุกข์ของจวนสิบ อ, องตามกฎมณเทียนบาลของราชวงศ์อวีในระหว่างที่ประสบของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับยังประทับอยู่ในพระโกรธหากผู้ใดบังอาจกระทำการล่วงเกินจะรีบประเพณีและถูกขุนนางฝ่ายในหรือฝ่ายนอกที่ได้รับมอบหมายพิเศษตรวจพบผู้นั้นจะถูกดีการถอดถอนทันที เจ้าใช้ตาข้างไหนมองเห็นว่าเปิลเตียนเสียละเมิดกฎมนเทียนบานและจะรีบประเพณีสิ่งที่ทําให้หลายคนต้องตกตะลึงคือชูหลิงที่เคยหัวอ่อนและขี้ขาดมาโดยตลอดกลับกล้าสักถามขันทีผู้นั้นต่อหน้าสาธารณชนแววตาของชูหลิงเย็นชายอย่างยิ่งขันทีผู้นั้นถึงกับใจสั่นอย่างบอกไม่ถูกดูเหมือนว่าองค์ชายเจ็ดผู้นี้จะแตกต่างจากที่เขาจําได้ไปมากทีเดียวเมื่อเห็นท่าทางของขันทีชูหลิงก็มั่นใจในข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้ของตนทันที เขาแค่ขยับตัวนิดเดียวก็กลายเป็นการละเมิดกฎมณีบาลแล้วอย่างนั้นหรือแล้วเหตุใดคนที่แอบวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้พวกเจ้ากลับทำเป็นมองไม่เห็นผู้ที่นอนอยู่ในพระโกรสยามนี้คือจักรพัฒด์ราชการที่สามแห่งราชวงศ์อวีและเป็นพระโอรสสายตรงเพียงพระองค์เดียวของไทยจงเหมือนฮ่องเต้ชูหลิงรั้งอันดับที่7็ในบรรดาพระโอรสของไทยจงเหมือนฮ่องเต้หากนับรวมฮ่องเต้ผู้ลงลับเข้าไปด้วยจริงๆแล้วชูหลิงควรจะอยู่อันดับที่8ด ราชวงศ์อวีให้ความสําคัญกับลำดับชั้นอย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงถึงความสําคัญของรลักฐานแผ่นดินและความสูงส่งของราชายาธหลังจากประกอบพิธีแต่งตั้งแล้วราชายาธจะไม่ถูกนํามารวมในการจัดลำดับเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างขติยพงศ์และข้าราชบริพารอย่างชัดเจนฮ่องเต้ผู้ล่วงรับครองราชได้ไม่ถึงปีก็สวรรคตอย่างกระทันหันแม้ในยามที่มีพระชนชีพจะมีการแต่งตั้งฮองเฮาและรับพระสนมเข้ามาม า, มากมายแต่กลับมีอาจให้กําเนิดพระโอรสไว้สืบราชบัลลังก์ได้เลย เรื่องราวในายามนี้จึงน่าสนใจยิ่งนักเมื่อบลั่งอันสูงสุดว่างเว้นลงใครจะมาสืบทอดแผ่นดินและใครที่มีสิสืบทอดได้บ้างเรื่องนี้มีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากมายเหลือเกินฮ่องเต้ผู้ล่งลับสวรรคตโดยไร้ผู้สืบสันดานไม่ว่าจะเลือกสืบทอดตามสายโลหิตหรือตามลำดับสักตามกฎของราชวงศ์อวิล้วนต้องพิจารณาจากสายเลือดของไทย่ยจงเหวินฮ่องเต้เป็นอันดับแรกต่อเปิ่นเตี้ยนเซียมาชูหลิงจ้องขเขม็งไปที่ขันทีพลางตวัดเสียงต่ำจากนั้นจึงแ้งคำสีหน้าโศกเศร้า เสด็จที่สวรรคตทัานที่ยังไม่ถึงเวชการท้องฟ้าของราชวงศ์อวี๋ถล่มลงมาแล้วเปิ่นเปี้ยนเสียโศกเศร้าเสียใจยิ่งนักแต่เจ้าที่เป็นเพียงข้าช่วงใช้ของราชวงศ์กลับบังอาศัยความเปิ่นเปี้ยนเสียว่าละเมิดกฎมนเทียนบานต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้เจ้ามีเจตนาชั่วร้ายอันใดกันแน่เจ้าเจ็ดเจ้าผู้จ่าเช่นนี้ได้อย่างไรสิ้งเสียงของชูหลิงเสียงตวาดด่าทอก็ดังแทรกขึ้นมาทันทีเสด็จที่ใหญ่เอ๋ยเช่นนี้หมายความว่า อ, อย่างไร ชูหลิงมองเห็นคนที่ตำหนตนเองชัดเจนแล้วจึงเอ่ยถามด้วยท่าทีสงบนิ่งบังอาจเมื่อเห็นชูหลิงกล้าย้อนถามตนชู่หงก็ลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาชูหลิงหาได้มีความหวาดกลัวไม่เขายืนขึ้นอย่างช้าๆภายใต้สายตาโกรธแค้นของชู่หงชูหลิงเงยหน้ามองชูหงใบหน้าอันเยไวนั้นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวหลังจากได้รับความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมมาชูหลิงก็เข้าใจประการหนึ่งว่าบัลลังก์ที่ว่างเว้นอยู่นั้นย่อมไม่มีทางเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแน่นอน ตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้รับความสำคัญจากไทจงเหมือนฮ่องเต้ประมารดาก็มีฐานะต่ำต้อยตระกูลฝ่ายแม่ก็ไร้รลักฐานาในราชสำนักด้วยเงื่อนไขเหล่านี้เขาจะเอาอะไรไปสู้ความกล้าหาญที่เกิดจากความไม่รู้อย่างนั้นหรือเมื่อรู้สถานะและสถานการณ์ของตนเองดีชูหลิงจึงเข้าใจว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้คือการอดทนรออีกไม่กี่ปีจนกว่าจะถึงพิธีสวมหมวกบรรลุนิติภาวะและได้รับการแต่งตั้งเป็นอองตามระเบียบกลายเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไปครองเมืองหน้าด่านภายนอกของราชวงศ์อวี๋ ไม่ว่าจะถูกส่งไปครองเมืองทันทีหรือจะรอพิจารณาในอีกไม่กี่ปีให้หลังดังนั้นความคิดของชูหลิงจึงเรียบง่ายยิ่งยามนี้ก็แค่ทําตามน้ําไปกับการไว้ทุกให้ฮ่องเต้ผู้ลงลับรอจนเรื่องนี้จบสิ้นลงและได้ตัวผู้สื่อบรรลังแล้วเขาก็จะกลับไปกบดานอยู่ในจวนสิบ อ, องเป็นคนไร้ตัวตนต่อไปเติบโตขึ้นอย่างเงียบเงียบเมื่อถึงเวลาบรรลุนิติภาวะก็ออกไปเป็นองค์ผู้สําราญต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันจนวันตาย การค่ามิติมีได้หมายความว่าจะทําได้ทุกอย่างยิ่งไปกว่านั้นราชวงศ์อวีดูเหมือนจะมีความลับซ่อนอยู่ไม่น้อยประสบการณ์จากชาติปางก่อนทําให้ชูหลิงตระหนักว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมีไพ่ในมือดีแค่ไหนสิ่งแรกที่ต้องทําคือการทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ใต้โต๊ะให้ถ่องแท้มิฉะนั้นเจ้าอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานี่คือโลกของผู้ใหญ่เพียงแต่สถานการณ์ในยามนี้คือคนไร้ตัวตนอย่างเขาถูกลากขึ้นมาวางไว้บนเขียงอย่างไม่มีปีไม่มีคลุย แม้จะรู้สึกแปลกใจแต่ชูหลิงก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของแผนร้ายองค์ชายทั้งสองโปรดระนับโทษสด้วยเถิดเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มจะควบคุมไม่ได้สุนตาผู้ช่วยเจ้ากรมพิธีการจึงจำต้องก้าออกมาข้างหน้าอย่างนี้อยู่ในช่วงไม่ทุกขขอโปรดอย่าได้รบกวนดวงวิญญาณของฮ่องเต้ผู้ล่วงลับเลย เดิมทีงานนี้ไม่ควรตกมาถึงมือเขาการเป็นผู้ดำเนินงานพิธีเฝ้าศพไว้ทุกแค่ฮ่องเต้ผู้ล่วงลับนั้นถือเป็นผลงานที่ช่วยสร้างบารมีแต่ทว่างานย่อมมีทั้งดีและร้ายเช่นงานไว้ทุกหน้าจนสิบ อ, องในยามนี้มันคือเผือกร้อนที่ใครก็ตามที่เข้าใจสถานการณ์ในราชสำนักย่อมไม่กล้าสอดมือเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เนื่องจากฮ่องเต้ผู้ล่วงลับสวรรคตยอย่างกระทันหันเจ้ากรมพิธีการและรองเจ้ากรมทั้งสองต่างก็รีบเข้าวังไปแล้วส่วนคุณนางคนอื่นๆในกรมพิธีการต่างก็ได้ข่าวล่วงหน้าและรีบรับงงาาานนนนนอออื่่่ไไปปกกกแลล้้้วบ็ทีตหหัรย บ้างก็ไปที่สำนักกวัวจื่อเจี้ยนหรือที่อื่นๆเหลือเพียงงานที่จวนสิบ อ, องที่ว่างอยู่ใต้เท้าซุนกล่าวได้ถูกต้องเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ขันทีผู้นั้นก็ไม่กล้าสบตาชูหงและรีบเอ่ยรับคำของซุนตาทันทียามนี้การไว้ทุกสําคัญที่สุดอย่าได้หืมสายตาของชูหงเปลี่ยนไปทันทีด้วยเล่เหลี่ยมเพียงเท่านี้ยังคิดจะชิงบาลังอีกหรือชูหลิงหัวราเยาะในใจ ในสถานการณ์ที่พิเศษเช่นนี้การกระทำที่ล้าเส้นเพียงเล็กน้อยก็อาจทำลายสมดุลที่เปราะบางลงได้และชูหงซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น อ, องค์มนาแล้วและในฐานะพระโอรสองโตที่เกิดจากพระสนมของไทจงเหมือนห้องเต้กลับดูเหมือนจะไม่ตรหนักถึงจุดนี้เลยเพราะในสายตาของชูหงทุกอย่างล้วนอยู่ในกำมือของเขาแล้ว พระมานดาของชูหงคือบุตรสาวสายตรงของตระกูลหลีหนึ่งในเก้าเสาหลักแห่งรัฐของราชวงศ์อวีตระกูลหลีมีบารมีในกองทัพสูงยิ่งนักขัตฤกษ์จีนดํารงตําแหน่งแม่ทัพใหญ่ปราประจิมยามนี้กําลังนําทัพรักษาการอยู่ที่สีเหลืยงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญเพื่อเฝ้าระวังศัตรูเข้มแข็งจากซีชวนให้แก่ราชวงศ์อวีทันทีที่ข่าวการสวรรคตของฮ่องเต้ผู้ลงลับแพร่ออกมาจากวังชูหงก็เอาแต่คิดถึงเรื่องเดียวคือจะทําอย่างไรให้มั่นใจว่าบัลลังก์ที่ว่างอยู่นั้นนนจะตกกมมมาาาาออออยู่่่ใืืเเขขพ้้ววววึโรรรสคค์์งงหหแชี ทวชูหงกลับมองข้ามจุดหนึ่งเป็นิยามเช่นนี้การชิงคือการไม่ชิงการไม่ชิงคือการชิงการแสดงออกต่างๆของเขามีใช่เพียงชูหลิงที่มองออกแม้แต่เหล่าองชายที่ยังคงคุกเข่าอยู่เหล่านั้นต่างก็มองเห็นและจดจำไว้ในใจกันหมดทุกคนแล้ว